บารมีที่สอนมงคลมาเป็นลําดับนะความรู้สึกว่าเป็นที่แน่ใจอะไรสอนเต็มภูมิของตนทั้งปัจเหตุที่ได้เคยดําเนินมาอย่างไร เมื่อผลที่ปรากฏขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนี่นํามาสอนหมู่เพื่อนมาปรากฏว่าธรรมะบทใดที่ได้ปรากฏไปเหตุส่วนผลมันอยู่แล้วนํามาสอนหมู่เพื่อนสอนทั้งเหตุที่ได้ดําเนินผลที่ปรากฏแต่ไม่ได้บอกว่าผลได้ปรากฏอย่างนั้นอย่างนั้นเท่านั้นเอง หลักธรรมของพระพุทธเจ้าครอบไว้แล้วโดยตัวขาติธรรมคือเป็นธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วเพราะรู้ชอบปฏิบัติชอบการปฏิบัติชอบก็เป็นเหตุให้รู้ชอบและประเด็นแรงธรรมโดยชอบธรรมจึงไม่มีอะไรจะเป็นที่ขัดข้องสําหรับผู้จะปฏิบัติตาม บรรดาท่านผู้ปฏิบัติที่ปรากฏเป็นผลขึ้นมาท่านก็แน่ใจของท่านทั้งปรากฏและผลซึ่งได้ดำเนินมาอย่างไรและผลปรากฏเป็นอย่างไรบ้างท่านนํามาประกาศต่อโลกแทนองค์ศาสดามีพระอรหันต์เป็นต้นนอกจากนั้นก็มีคืออาจารย์ซึ่งท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติและรู้เห็นตามหลักธรรมจึงตามก็ องค์ท่านนํามาสั่งสอนท่านก็สอนเป็นที่แน่ใจของท่านเหมือนกันไม่ได้สอนโดยรูปรูมคําคําทั้งสาเหตุว่าท่านได้ดําเนินมาอย่างไรและผลปรากฏขึ้นอย่างไรตั้งแต่เหตุตามขั้นแห่งธรรมะและภูมิของผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นจนถึงเหตุอันสูงสุดและภูมิอันสุดยอด แสดงว่าเป็นประเดิ้มพร้อมงูทั้งเหตุและผลทั้งเป็นที่แน่ใจในการสั่งสอนดุษเรื่องของครูบาอาจารย์ที่กันพร้อมจริงท่านสอนอย่างนั้นเพราะท่านรู้จริงนักภูมิศึกษาและปฏิบัติมีความสนใจ แล้วปฏิบัติจริงแค่ไหนนี่เป็นปัญหาสําคัญสําหรับพวกเราผู้เป็นนักศึกษาโดยทันจะนําไปขบคิดและแก้ไขปัญหาขนงั้นเปลี่ยนจัดขึ้นภายในจิตใจของตนท่านสอนข้อใดกับผลว่าสอนออกจากความฟุ้งไฝได้ว่าพระพุทธเจ้าและสาวกรอบครูบาอาจารย์ ที่ท่านเป็นธรรมมาอย่างเรียบร้อยแล้วไม่ว่าตัวอย่างส่วนการส่วนนี้อย่างและไม่ว่าภายนอกภายในท่านสอนลงอย่างจริงใจถ้าผู้ฟังอย่างจริงใจและปฏิบัติอย่างจริงใจทําไมจะเห็นผลทําไมเห็นผลเป็นที่จริงใจของตนเองเรา พระกวากาฐธรรมเป็นของจริงตลอดสายตั้งแต่ต้นจนอวสานไม่มีสิ่งใดที่จะแปรปรอมพอให้เสียหวังสําหรับผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนั้นๆขึ้นตั้งสอนกายคตาสติเป็นต้นเป็นยังไงจึงต้องสอนกายคตาสติแล้วละ เราพวกเราหลงอยู่ทุกวันนี้หลงอะไรถ้าไม่ใช่หลงกายกตัญญูคือเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอุปทานได้ตัวให้จิตใจเสมอเพ้อฝันอยู่ตลอดเวลายิ่งกว่าเรื่องของกายคือหลงกายนี่เองการที่ท่านสอนกายคตาสติก็เพื่อแก้ความหลง ให้ถูกตามหลักธรรมชาติแห่งความเป็นของกายเวลานี้เราเสกสรรค์ปั้นยอขึ้นโดยไม่เป็นความจริงและหลอกลวงตนเองเมื่อสิ่งใดไม่จริงผลปรากฏขึ้นมาก็ต้องเป็นของกลอมเสมอและทําความเดือดร้อนแก่ตนเองท่านประกาศสอนเรื่องกายและตาสติมานานเท่าไหร่แล้ว กับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่เคยละเว้นแม้แต่องค์พระพุทธเจ้าของเราก็ได้ประกาศสอนมาเป็นเวลา 2500 กว่าพัน 3 ปีแล้วไม่ได้สอนแยกออกไปเป็นอย่างอื่นเพราะการนี้เป็นธรรมชาติความจริงอันหนึ่งอยู่แล้วจะสอนให้ผิดจากหลักความจริงได้ไม่ไปไม่ได้ ทำไมท่านจึงสอนการละกตาภิบัติเพราะพวกเราหลงในกายนี้ว่าเป็นของสวยของงามนี่เป็นหลักสําคัญเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารักน่าสํานักอินทรีย์โดยที่ในสิ่งต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีชิ้นไหนจะคิดชิ้นไหนจะเป็นของดีของสวยของงามตามความเพ้อฝันของ <c oughs> 60 แค่นั้นพอลองแยกออกดูตั้งแต่ผมซึ่งอยู่นอกๆมีสวยมีงามมีสะอาดที่ไหนเกิดเป็นดำๆเปลี่ยนต่างดำก็เป็นขาวพอเป็นผมดำมีเป็นของสวยงามแล้วก็หม้อที่ถูกไฟมันก็ดำเหมือนกันเราคิดดู อ่าเป็นของตาลแล้วตกลงในภารตะซึ่งเป็นที่รับประทานมีความขยักขะแยงมั้ยน่ะมูลของเส้นผมนี้มีอยู่ทุกเส้นถ้าเกิดปรากฏตั้งจักมูลใครทราบมั้ยว่ามูลคือมีภาษาที่ โลกนิยมครับคือการพูดว่ามูนความจริงก็คือของตกกระทบที่ไม่ถึงปรารถนานั่นเองมีเล็บมีฟันมีผมหล่าไปที่กี่เส้นผมในบนบนศีรษะของเรานี้แล้วเส้นไหนบ้างที่ไม่ปรารถนาที่กราบไปจากมือคือสิ่งตกกระทบโสโครกไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่เครือกแผงเลย เส้นผมที่สะอาดมีเส้นไหนมั่งหมดทั้งศีรษะนี้แม้แต่เส้นเดียวไม่มีเลยงั้นเราจะหาความสดมาจากไหนในเส้นผมแต่ละเส้นไหนกันพอที่จะเป็นเหตุให้เกิดความรักความกำหนัดยินดีว่าสวยว่างามว่าสะอาดอ้าวขนก็เช่นเดียวกันอีกมีลักษณะเช่นเดียวไม่มีอะไรผิดแปลกซึ่งอยู่ตามคือหนังเส้นเดียวกัน และเป็นเช่นๆเหมือนกันมีมูลของมันประจําอยู่ทั้งตัวเส้นผมเส้นขนและทั้งขุมที่เกิดของมันที่เรียกว่าคุ้มขนเพราะอย่างไรสิ่งนั้นทุกเส้นจึงไม่มีข้อดบเสนว่าเป็นของ 3 เพราะเพราะฐานเดิมที่มันเกิดนั้นหมดทั้งฐาน มันเป็นสิ่งที่สถบปุกเท่าไหร่หนังตรงไหนที่ไม่มีโมงติดอยู่นั้นมีมั้ยเราลองคิดดูนี่กายและกตาทั้งสิทธิ์พิจารณาอย่างนี้นี่ละตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้และตามหลักความจริงของร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าปรากฏตามเรื่องความจริงนี้เองไม่ได้ปืนความจริงไป <c oughs> เหมือนอย่างใจของพวกเราที่ฟืนอยู่ทุกๆขณะเวลานี้แล้วฟืนตลอดมาซึ่งก่อความวุ่นวายวุ่นวายให้แก่ตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนอนหาความสุขไม่ได้เพราะความฟืนขัดติดธรรมดาและฟืนหลักธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างไรให้กลายเป็นอย่างอื่นขึ้นมาโดยที่เป็นไปไม่ได้พอสวดดูให้ดีหนังที่ห่มห่ออยู่ในส่วนร่างกายของเรานี้ มีส่วนไหนที่มีข้อยกเว้นว่าไม่มีของสกปรกเผือกแผงอยู่เลยที่เรียกว่ามูลคําว่าที่ไครจะหมายถึงอะไรถ้ามันหมายถึงมูลอ่ะไปวาดข้างบนข้างล่างรอบตัวนี้เต็มไปด้วยมูลนี้ทั้งนั้นแล้วที่ไหนมาเป็นที่สะอาดที่ไหนเป็นที่สวยงามเวลาพุ่งผ่อกันอยู่ ตัวเนี่ยก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสัตว์เป็นหมู่คนลองแผ่ออกสิหนังนี่เป็นแผ่นเหมือนแผ่นเผือนเหมือนเผือนเป็นหนังหนังวัวหนังควายนั่นน่ะให้แผ่ออกแล้วเป็นยังไงแล้วหนังคนจะติดแปะกันไปที่ไหนข้างนอกก็เป็นกระดวยหมู่ข้างในก็ยึมไปด้วยผิดกระปกโซโค เลือดและน้ำเหลืองเริ่มไปหมดองค์ไหนในหลังที่มีอยู่รอบตัวของเรานี้นี้ซึ่งมีข้อยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่สะอาดและสวยงามซึ่งเป็นที่น่ารักน่ากำหนัดตามใจที่ระเมอเพ้อฝันอยู่เวลานั้นนี่เอาแยกออกเป็นชิ้นๆให้เห็นตามหลักความจริงของกายคตตา ถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่ถูกตรงไหนมั่งจะขัดแย้งในความรู้สึกของเราว่าไม่เป็นดั่งที่ท่านตรัสไว้ตอนเริ่มแต่หลังลงมาซึ่งอธิบายผ่านมาแล้วมีตรงไหนมั่งที่จะขัดแย้งบ้างเช่นผมในบนศีรษะเราทุกเส้นมีเส้นหนึ่งซึ่งเป็นข้อยกเว้นไม่มีมูลติดอยู่เลยและสถานที่ที่เกิดของมันก็เป็นสถานที่สะอาดปราศจากสิ่งที่โสมม มีเช่นไหนมั่งอืมเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงแล้วไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่เช่นเดียวผมก็ไม่มีแล้วถนเนารอบตัวขนังมีเช่นไหนมั่งที่เป็นข้ออย่างใดไม่มีเป็นแบบเดียวกันเพราะฐานที่เกิดของมันเต็มไปด้วยสิ่งที่โสมมดังที่กล่าวมานี้ในจํานังที่หุ้มห่ออยู่นี้ในรอบตัวขนังเต็มไปด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่นี่ไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากที่นี่จึงไม่มีข้อยกเว้นว่าเป็นสิ่งที่ถ้าอ่านได้สวยงามน่ากำหนัดยินดีน่าเกิดนักเสร็จนี่เป็นอาการที่ 2 ที่ 3 เข้ามาผมขนหนังเล็บก็เหมือนกันและเกิดขึ้นจากขึ้นกับที่ไหนถ้ามันเกิดขึ้นกับหนัง <c oughs> แล้วมีความสะอาดประจำสรวงมันอยู่ที่ไหนมั่งในเล็บนี้ไม่ว่าเล็บเท้าไม่ว่าเล็บมือมันเกิดขึ้นจากที่ไหนเท้าเป็นของที่สะอาดหรือเป็นของสกปรกฐานที่เกิดของเล็บเกิดขึ้นจากไหนถ้ามันเกิดขึ้นจากหลังแล้วจะมีข้อยกเว้นในเล็บไหนมั่งว่าเป็นสิ่งที่สะอาดสวยงามพิเศษจากเล็บทั้งหลาย <c oughs> ไปบรรณาเล็บที่มีอยู่ในตัวของเราทุกๆเล็บอ้าวพิจารณาดูนี้หลักกายคตาสติตามหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างตรงแนวไม่มีอะไรจะมาเพิ่มเติมอีกและจะหยิบถอกเห็นมากมายเหลือเหลือเปลือยก็ไม่มีมีความพอดีนี่เราเรียกว่าหลักปัจจิมาในการสอนโลกสอนอย่างนี้ ฟันเกิดขึ้นที่ไหนฟันสถานที่เกิดของของฟันนั้นเป็นสิ่งที่สกาตหรือโสมงนี้ฟันจะได้ความสกาตมาจากไหนทําความสกาตทั้งวันทั้งคืนบ้วนปากแล้วบ้วนปากเราแม้แต่ทําความสกาตจากตอนเช้าเวลาตื่นนอนขึ้นมาก็มีหลายไม่อย่างนั้นตัวเองก็ได้ปิ่นคนอื่นก็ยิ่งผ่านไม่ได้เลย พอพูดออกไปมันเป็นไอพ่นตลกสะไหลไปล่ะทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไม่คิดดีอืมถ้ามันสะอาดมันทําไมเป็นอย่างนั้นขยะขแหยงตัวเองก็ยังได้กลิ่นเป็นบางครั้งในปั๊มแต่ละที่แต่ละที่มีมูลมั้ยอ้าวถามตัวเองให้รู้เพราะต่างคนต่างมี มีมูลมั้ยมูลนั้นมูลนี้มีข้อยกเว้นมั้ยแบบเป็นมูลที่สะอาดฟันดิดเป็นที่ที่ยกเว้นมีมั้ยแบบเป็นที่ฟันที่สะอาดไม่มีไม่ว่าฟันของใครทั้งนั้นมันเหมือนกันหมดนี่ลองพิจารณาดูสิทําไมจะมาเห็นเรื่องกรรมสารคือการจะขตาถ้าพิจารณาตามหลักนี้จริงๆเนี่ย มันเกิดขึ้นมาจากอะไรฟันเกิดขึ้นมาจากของสกปรกหนังละเอียดที่อยู่ภายในปากนี่เป็นหนังอันหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นส่วนละเอียดเลยไม่เกี่ยวกันว่าหนังอันเป็นส่วนละเอียดอันหนึ่งเข้าไปข้างในก็เป็นเนื้อเป็นกระดูกฟันก็คือกระดูกนั่นแหละแต่เรียกว่าฟันมันเป็นกระดูกดีๆนี่แหละแต่ที่เรียกตามอาการไว้ตามสมมุติของโรคที่เคยใช้มาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนย้ำเรื่องที่สมมุติของโรคเค้าว่าหนังก็ว่าตาม ว่าผมว่าคนว่าเล็ดมากพันก็ว่าตามมันไม่ว่าภาคนอกจากจะสมมวนมันเรียกเป็นส่วนหนึ่งทาง학เท่านั้นเวลาสอนต้องสอนแบบเดียวกันกับโลกที่สมมุติไปแล้วอย่างไรเป็นแต่สอนตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เท่านั้นมันสกปรกก็บอกว่าสกปรกมันเป็นยังไงก็บอกตามเรื่องมันไม่สะอาดก็บอกตามเรื่องมันมีรังฐานวรหรือไม่ก็สอนไม่ทําเรื่องอันนี้เข้าไปถึงปั่น เส้นเอ็นกระดูกเส้นกระเพ็นเป็นยังไงมีอะไรสะอาดมั้ยกระดูกทุกท่อนซึ่งมีอยู่ในส่วนร่างกายของมันเป็นที่น่าที่หน้ากำหนดดีมั้ยหน้าผสมธรรมมันเต็มไปด้วยอะไรกระดูกมันก็เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วเมื่อเป็นที่เกี่ยวข้องติดกันตลอดถึงเลือด เนื้อกระดูกโพรงที่กระดูกอ่ะผสมกันอยู่ภายในร่างกายมันมีส่วนไหนส่วนที่สามันนาส่วนที่มีอยู่ในเกี่ยวข้องกับกระดูกไม่มีส่วนไหนเลยเริ่มไปด้วยของมสะอาดเท่านั้นเริ่มแต่หนังเนื้อเป็นกระดูกอยู่ในกระดูกมามาหัวใจปั๊มทั้งพิงไปก่อนใต้ใหญ่ใต้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า รวมหมดในส่วนร่างกายมีอาการไหนบ้างที่กนกการได้รับข้อยกเว้นว่าเป็นของสะอาดหน้ารักไข้หน้ากำนัดหน้ายินดีหน้าเพ้อหน้าเพ้อมีอาการไหนบ้างที่กล่าวมาทั้งหมดรวมแล้วเรียกว่าอาการ 32 น้ําอยู่ในลําคลองยังดีกว่าน้ําอยู่ในส่วนร่างกายของเรา เราต้องคิดดีให้ดีหนังรองเท้ายังสะอาดยิ่งกว่าหนังในร่างกายของเราเนื้อหนังขยับแขยงเหมือนหนังของเราถ้าเราจะแก้ตัวเองต้องคิดเทียบเคียงอย่างนี้แล้วทุกส่วนในร่างกายนี้มีอวัยวะส่วนไหนซึ่งได้รับยกเว้นว่าเป็น <c oughs> สิ่งที่แปลกจากอวัยวะต่างๆในร่างกายคือเป็นของตาเป็นผนังหน้ารักที่ไหนกระดูกก็ดูให้ดีแยกออกทุกชิ้นทุกชิ้นชิ้นไหนจะเป็นชิ้นที่หนักชิ้นที่หนักกำนัดยินดีที่น่ารักมาสอดได้เอาไปต้องดูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาก่อนอ่ะจะดูตั้งแต่ข้างบนจากกะโหลกศีรษะลงไปก็ได้ ถ้าอาจารย์เห็นมั้ยครับอ๋อดูให้ดีคนตายกับเวลากับคนยังเป็นอยู่เช่นเรานี้กระดูกมีอะไรผิดแปลกกันมั้ยเราไปเห็นกะโหลกศีรษะคนตายทําไมขยับแขยงมาเห็นกับกะโหลกศีรษะคนเป็นทําไมตื่นเป็นหนังคนตายเป็นยังไงมั่งหนังคนเป็นมันหนังอันเดียวกันทําไมเห็นหนังคนเป็นแล้วตื่นเป็นเส้นน่ะเห็นหนังคนตายแล้วกลัวผีหนังอันเดียวกันกลัวมันอะไรนี่เป็นเรื่อง ที่จะตื่นเต้นก็คือเรื่องหลอกตัวเองมาซะก่อนไม่หลอกให้ตื่นคนละถ้าพิจารณาตามหลักของธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ตื่นเต้นในโลกนี้ทําลายไปหมดเนี่ยเรื่องกายวิขาทาติที่พูดถึงเรื่องความตกตกโสมมของส่วนร่างกายหรือว่าพูดถึงเรื่องความปฏิกูลนับตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปจนถึงข้างในที่สุดและทุกทิ้งไม่มีส่วนไหนที่น่าพึงปรารถนาในร่างกายของเราและของใครก็ตามหากได้พิจารณาตามนี้แล้วจะไม่หลง <c oughs> แล้วจะเป็นความสบายไม่กังวลถอยภาระในสิ่งเหล่านี้ได้อุปทานจะมีมาจากมันเมื่อไม่มีอุปทานซึ่งถือภาระอันหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกนี้แล้วทําไมจะไม่แสนสบายเล่าการพิจารณาเรื่องกายและคาถาสตินี้เราได้แบกภูเขาทั้งลูกไว้บนบ่าเลยเราถึงหนักนักไม่อยากจะพิจารณากันแต่การแบกอารมณ์จนกระทั่งถึงความเดือดร้อนบุญมาถึงใจ รับธรรมมาได้นอนมาหลับนั้นไม่ไผ่เป็นภูตรงเหรอต้องพิจารณาให้ดีถ้าเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาอย่างนั้นสิปัญญาเอามาใช้อะไรถ้าไม่ใช้กับสิ่งเหล่านี้นอนอยู่ก็โง่นั่งอยู่ก็โง่ยืนก็โง่ฉันก็โง่อียาบททั้งปีมันเต็มไปด้วยความโง่แบบตั้งแต่ความโง่อยู่ทั้งวันตายวันยั่งค่ําก็ตามเถอะไม่มีอะไรที่จะเป็นคนดีสําหรับโมฆะบุรุษคนนั้นขอให้พวกท่านพิจารณาให้ดี อุบายวิธีที่ผมสอนทุกแน่ทุกมุมนั้นบางรายอาจจะรําคาญก็ได้แต่ผมไม่ได้สอนเพื่อให้ท่านรําคาญสอนเพื่อให้แก้ความโง่ของตัวนี่เราจะทราบมั้ยว่าเราโง่ด้วยเราขณะเวลานั้นพร้อมอยู่เห็นอยู่ด้วยตารู้อยู่ด้วยจิตใจของเราเพียงในกายของเราเท่านี้อยู่กับตัวของเราทําไมถึงไม่สามารถจะมองเห็นตามหลักความจริงทั้งทั้งที่มีอยู่เป็นหลักความจริง <c oughs> 10 100% ฝืนไปไหนหนีจากหลักธรรมะของเจ้าที่เป็นทางเดินอันถูกต้องไปไหนเข้าขวากเข้าหนามให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมีล้วนแต่จะเข้าขวากเข้าหนามเพราะฉะนั้นน่ะเหยียบขวางเหยียบหนามไปทั้งวันทั้งคืนเพราะผิดจากหลักคําถ้าหากว่าเราจะดําเนินตามหลักธรรมแล้วเพียงการกายคตาสติเท่านั้นเราก็พอแล้วที่จะรับความสุขเป็นที่เย็นใจสมาธินี่อาจแย่ออกเป็นอาการอาการเรื่องกายคตาสติ ให้ทุกท่านได้พิจารณาเมื่อแยกกันการออกไปแล้วเอารวมตัวเข้ามาก็เป็นก้อนของกายนี้ก็คือก้อนอสุภะก้อนปฏิกูลก้อนภาคผีดิบนั่นเองซึ่งจะมีชีวิตครองตัวอยู่เท่านั้นแต่นอกนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ต่างกับคนต่างมันเหม็นเหมือนกันทั้งทั้งหมกทั้งไหนไม่มีส่วนใดที่จะหอมหวนชวนให้ดมชวนให้ชมชวนให้รักชวนให้กำหนัดได้เลย ถ้าพิจารณาตามหลักความจริงดาวที่สอนมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเมื่อไปงานเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าโง่หรือฉลาดเราต้องพิจารณาดูสิพระองค์ท่านสอนตามหลักความจริงแล้วเราฟื้นหลักความจริงไปเข้าป่าเข้าลบเกี่ยวขวางเวียดนามร้อนทั้งกลางวันกลางคืนพอมองข้ามความจริงนี้เลยนี่เลยนี่พูดถึงเรื่องความตกตกตกสมมก็เป็นอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องความแปรก็มันก็แปรอยู่ตลอดเวลา ที่ไหนจะเป็นที่ที่ไหนจะเป็นที่ที่ มoi วางใจว่าไม่แปลกหมดทั้งรานของเหล่านี้นะเป็นทุกข์ก็เหมือนกันมันทุกข์อาการทั้งมีอาการใดที่ยกเว้นว่าไม่เป็นทุกข์แล้วควรหรือว่าจะเป็นอตตามันอยู่ในฉากนี้ก่อนถ้าเห็นชัดตามหลักความจริงแล้วก็ถือว่าเป็นต้นที่หลายได้มันตั้งแต่กองขุ มันกับอยู่กลางกองเผิงเสร็จแล้วแหละถ้าปัญญาไม่ฉลาดก็ตายกองกันอยู่ในกองเผิงนี้แหละจะให้อธิบายยังไงให้ฟังพิททําไมถึงรุ่มร้อนและพิจารณาอะไรทุกวันนี้จึงรุ่มร้อนตรงไปหากระแสโลกไปหาอะไรกระแสโลกโลกมันคืออะไรธาตุไม่ใช่โลกธาตุโลกขันธ์โลกดินน้ำลมไฟโลกปฏิปุญโลกนี่จะเป็นโลกอะไรได้ความวิเศษนี้โสมมาจากไหน ทำไมไม่ยับยั้งจิตใจไม่ทำไมไม่พิจารณาจิตใจของตัวเองถ้าเห็นตามหลักความจริงนี้ก็จะมีความสะดวกสบายยืนเดินนั่งนอนจะเป็นสุขไปสุขแล้วการพิจารณาธรรมะเพื่อการตอบถอนตนเองถ้ามาเห็นว่าลําบากตอนหนึ่งภูเขาทั้งลูกมาทับอยู่บนศีรษะแต่การจะต่อจิตใจให้ละเมอเพลิดเพลินไปตามสิ่งต่างๆจนเกิดความเดือดร้อนไม่มีวันถอนตัวได้ทั้งวันทั้งคืนนั้นทําไมเห็นมันเป็นของกระดูกสมบัติ จะให้ทุกข์จนตายในหรือถึงจบทุกข์ตายแล้วจะรู้สึกทุกข์เมื่อไหร่ถ้าไม่รู้สึกในเวลานี้และเวลาปฏิบัติตามหลักธรรมะพุทธเจ้าอย่างนี้จะหาโอกาสรู้ที่ไหนผมว่าไม่มีวันตายที่มาปราบแล้วเนี่ยเนี่ยจะเอาความบ่าวอะไรมาสอนหมู่เพื่อนหมดกําลังความสามารถมีก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้สอนอย่างนี้ไม่ใช่เอามาหลอกหมู่เพื่อนปฏิบัติมาอย่างนี้สอนอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้มันก็ <c oughs> ถ้าเห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจะต้องเกิดความสลดสังเวชในความโง่ของตนอย่างเต็มที่โง่ต่อกายโง่ต่อเวทนาโง่ต่อสัญญาโง่ต่อสังขารโง่ต่อวิญญาณมันล้วนแล้วทั้งกระเป็นของปลอมสําหรับเอ่อกลอก มุ릇 ตาตาแต่ถ้ารู้ตามหลักความจริงแล้วมันจริงทั้งนั้นรูปก็จึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจริงตามส่วนของมันมันไม่ได้มาครบตัวให้เราหลงแต่เราเป็นบ้าหลงมันต่างหากเพราะบ้าภายในจังเรามันมีอยู่แล้ว บาปมันรู้หน้ารู้หลังรู้วันรู้คืนนี่ที่มันแค่ยากผู้ตามธรรมะส่วนละเอียดก็คือผ้านั่นเองแล้วขออภัยนะว่าผมพูดอย่าพูดตามหลักความจริงน้องลอกมาคือว่าเป็นบาปอะไรงั้นมันก็ยังรู้เวลาเวลาที่ 3 หมองในรูปในชมในธาตุ 45 ดินน้ําลมไฟเมาเรื่องเขาเมาเรื่องเรานี่มีมันมีเวลาจะจอดแล้วก็มันมีเวลาจะจอดเยอะได้ หาที่ตรงที่วางก็ไม่ได้หนักท่วงอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วเราจะหาความถูกความเป็นนักผลนิพพานมาแต่ที่ไหนเมื่อปล่อยให้โผเขาทับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้โผเขาก็คืออารมณ์นั่นเองอืมเรื่องอธิบายเรื่องกายและกสัตตภิกพวกท่านเข้าใจได้อย่างถ้าไม่เข้าใจคือจะได้ให้เข้าใจมีอยู่อย่างสมบูรณ์ในทุกรูปทุกหน ว่าใครจะถือว่ายังไงใครจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรธรรมชาติที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีอยู่อย่างตรงปุจถ้ายังสติอย่างปัญญาลงปัจฉิมิจะเห็นความจริงและไม่ต้องสงสัยทั้งไม่ต้องละเมอเพ้อฝันกันอีกแล้วจะมีเวลาพักผ่อนจิตให้สมาธิสงบหลักความจริงนี้แหละจะเป็นสถานที่จอดทัพได้อย่างเย็นใจสมาจารย์ <c oughs> เอ่อเพียงคั่นกายสภาวะสตินี้พอสมควรที่จะมีความสุขพาวสบายในการประพฤติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชซึ่งมีหน้าที่พร้อมอยู่แล้วและลึกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นแน่จะไปส่วนละเอียดจะมีจากปัญญาดวงนี้ไปไม่ได้จะต้องรู้ตามไปหมดตลอดสายนี้แหละจะไปแผ่อยู่ทั้งรูปทางกายทางสังขาร ทางเวทนาขยาทังขันธ์นิญญาณแฝงอยู่ที่ไหนก็ต่างตามรู้ปัญญาไม่มีอะไรที่จะเสมอได้ต้องทะลุไปหมดแม้ที่สุดจิตซึ่งเป็นสถานที่เกิดแห่งที่อาคามัสมัยก็สามารถรู้ได้ขณะฐานเดิมจริงๆก็คือเกิดขึ้นจากจิตเพราะจิตยังไม่สามารถใคร่ตัวเองจึงไม่ อาจจะกั่นกลองตัวเองให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆหน่อยถามว่าเป็นวัตถุที่ควรนับถานก็วัตถุที่เป็นอาหารก็คือยังเชื่อด้วยพิษเป็นหัวเผือกหัวมันแม้จะเป็นอาหารก็ตามแต่ถ้าทําไม่ถูกตามหลักซึ่งควรจะเป็นอาหารได้มันก็เป็นภัยต่อร่างกายเหมือนกันเพราะงั้นทุกเป็นนัก ถ้าอย่างงี้จึงต้องรู้ที่วิธีปฏิบัติต่ออาหารประเภทนี้แล้วนํามาทําอย่างไรจนทําเด็ดเป็นอาหารฤกษ์ขึ้นมาอย่างดีและสมบูรณ์ตามภูมิของอาหารประเภทนั้นๆนี้จิตใจก็เหมือนกันเมื่อมีสติปัญญาแล้วก็ต้องเป็นลักษณะลักษณะเดียวกันกับแม่ครัวปรุงอาหารจนให้มีรสมีชาติอย่างเต็มที่ได้อย่างนี้เต็มไปด้วยความขมขื่น เป็นภพของความเดือดร้อนเป็นภพของความลุ่มหลงอยู่ในจิตนั้นหมดเพราะจิตนั้นเป็นบ่อแห่งความเดือดร้อนแห่งความลุ่มหลงจึงกระจายออกมาภายนอกออกทางตาก็หลงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหลงไปหมดก็ทางใจมันตัวเองก็หลงพอหลงใจเราประมวลเข้าไปประมวลเข้าไปด้วยการพิจารณาโดยทางปัญญามีสติ เป็นคู่เคียงอยู่ทั้งหมดแล้วก็ต้องรู้ว่าเขาไปเป็นลําดับๆจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งสมมุติที่มีอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นแล้วถอนออกได้ไม่มีสิ่งใดจะเป็นสมมุติแม้แคนิดหอมอยู่ภายในจิตนั่นเลยนั่นแหละคือจิตล้วนล้วนคือจิตที่บริสุทธิ์แท้หาทุกข์ที่ไหนไม่มีเพราะคําว่าทุกข์ก็คือสมมุติคําว่าสุขก็คือสมมุติเช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นสุขในหลักธรรมชาติของมันที่เป็นเอง กับความมุสิกที่เท่านั้นไม่มีความสุขอื่นใดจะเป็นความสุขที่แน่นอนขอให้ทุกคนนําไปคิดกันผู้ปฏิบัติก็รู้ความจริงต้องเป็นคนปฏิฟังจริงปฏิบัติจริงเอาจะทุกข์ขนาดไหนก็ใคร่ทราบว่าตนทํางานต้องเป็นทุกข์ไม่ว่างานที่ไหนคือว่าขึ้นที่ว่าทํางานแล้วต้องมีทุกข์เกลืออยู่ด้วยกัน มีการประกอบการงานอันนี้ก็เป็นงานงานชิ้นเอกที่จะลื้อผลผลอพ้นจากทุกข์โดยไม่ต้องกลับมาเรียนว่าตาเกิดอันเป็นบ่อกังวลนี้อีกต้องเป็นงานที่ทุกข์เช่นเดียวกันทุกข์เพื่อผลอันนําล้ําอันล้ําเลิศประเสริฐนี้แต่ทุกข์ไหนก็ถูกปัดพระพุทธเจ้าเคยผ่านมาแล้วและพาพวกเราทําธรรมมาก่อนพวกเราแล้วเห็นมั้ยในตําราทั้งหลายพลบเท่าไหร่ไป 4 ครั้ง ไม่ทุกข์จะถึงสรุปไฉนหรือคนล่ะการสรุปสลายก็เป็นผลของทุกข์ที่เหลือกําลังก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนั่นคําว่าอยากการแคนไม่มีใครจะยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลองถึงเป็นกษัตริย์แล้วออกไปทรมานสุดพระองค์อยู่ที่นั้นตัวหนึ่งว่าคนอนาถาทําไมจะไม่ได้รับความทุกข์แก่สาหัสพวกเรานี่ไปที่ไหนก็มีผู้ดูแลรักษาเลื่อมใสศรัทธา เดินธมาตอเต็มบาทมาทุกวันตระบงชีวรที่อยู่ที่ไหใสไม่มีสิ่งใดบกพ้องมีแต่สมบูรณ์บริบูรณ์ทนนอนใจลืมตัวเนี่ยตกะกาโลปิสังหันติมนุษย์โง่มันตายโดยทํานอนใจเพราะไม่ไม่รู้สึกตนไม่สํานึกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรกินแล้วนอน นอนไตเป็นสิ่งสําคัญพอคิดอ่านไปต่อนอนอยู่ในขวากแม่น้ําก็ว่าของดีเหมือนอย่างหมูนอนอยู่ในโคลนในตมก็ของดีเลยพูดหน้าออกมาจากนั้นก็ขึ้นเสียงแค่เท่านั้นแหละไม่มีอะไรหน้าที่ของหมูมีทําหน้าที่ของคนโง่คนเค้าของคนขี้เกียจก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องขึ้นเสียงของพ่อของชาติตับย้ําให้เกิดให้ตายอยู่ตลอด กลับตลอดกันมีเท่านั้นแหละเรื่องแล้วเราจะเลือกเอาอะไรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะเลือกเอาอะไรเป็นสถานะแก่นสังค์จะให้เป็นหมูอย่างที่ว่าหรือจะให้เป็นพระพระแล้วว่าผู้ประเสริฐการปฏิบัติต้องให้เป็นเรื่องของพระจริงๆอย่าเอาสิ่งใดมาต้อมแปลงแฝงอยู่ภายในเรื่องของพระภายในองค์ของพระภายในใจของพระหน้าที่การงานทุกทุกอย่างให้เป็นไปด้วยหลักธรรมหลักวินัย มีเหตุมีผลทุกด้านข้ามมูลมีที่ว่าเป็นเรื่องของพระพระอย่างนี้ถ้าหาได้ยากหาเอาในตัวนั่นแหละแต่หายากเพราะที่เกียจอ่อนแอแต่ธรรมอะไรเล็กๆน้อยๆก็เป็นของนําบากของยากกว่าเนี้ยพระก็เลยหายากอีกไม่เจอเจอแต่การหลับการนอนการขี้เกียจที่ท่านต่างๆนานน่ะเจอแต่ความเดือดร้อนถ้านั้นก็เจอนั่นสิ หาของนี้ทําไมจําไม่เจอองค์มีปัญญาสอนหมู่เพื่อนมาว่าส่วนญาณส่วนกายส่วนเลือดไม่ว่าภายนอกภายในสอนย้ําแนวย้ําหลักมองเห็นหมู่เพื่อนแต่ละองค์ณองค์ที่ผ่านสายตานี้จะต้องจ้องมองดูด้วยความเป็นห่วงด้วยความสงสารไม่ใช่ด้วยความจับผิดจับโทษเพื่อจะมาย่ําดีแต่เพื่อจะเสริม ค่อยจะแก้ไขให้ทั้งนั้นบางทีก็ที่นิ้วก็มีอ่าแล้วผู้ที่มาศึกษาเห็นอากัปกิริยาเช่นนั้นได้คิดอย่างไรบ้างก่อนที่พวกท่านจะเข้ามาสู่ที่นี่พวกท่านมีความรู้สึกยังไงต่อสำนักนี้วัดนี้หรือผมเวลาเข้ามาแล้วความรู้สึกนั้นเปลี่ยนแปลงหรือเป็นยังไงในเวลาที่ได้รับการแนะนําสั่งสอนทั้งตั้งใจสอนทั้งที่ ผ่านสายตาเพื่อนคาดอย่างไรแล้วสอนหรือเข้าใจว่าพูดเล่นหรือเข้าใจว่าเป็นนักบวชหรือเข้าใจว่าเป็นนักตํารวจจึงไม่รู้สึกกลัวถ้าความยากคลายมันอยู่ <c oughs> ครูสอนจะตายแล้วนะครูบาวิธีที่จะนํามาสอนนี้ไม่ใช่เอามาอย่างง่ายๆแทบตายมาเหมือนกันต้องใครจะตั้งใจก็ตั้งใจที่ถ้าวัดได้ปฏิบัติดังที่ดังที่อธิบายมานี้จะไม่เหนืออํานาจของความเพียรของความสุขทรมานตนไปได้จะต้องอยู่แน่นอนไม่มีทางออก ภาวะปัญญาไปตามรู้ตามเห็นกันอยู่ประจําหน้าที่การงานทุกคนที่กําลังบําเพ็ญอยู่นั้นแล้วฝืนไปไหนคนหนึ่งเตรียมจะรู้ล่วงของตัวเองอยู่แล้วแล้วมันจะไปที่ไหนเมื่อเราเตรียมรู้นอกจากว่าเราจะไม่สนใจสถานมันก็ออกไปตามตั้งแต่มันที่เคยเป็นมาตั้งปรับทางการเป็นมาอย่างนั้นเหมือนกับน้ําที่ไหลลงทางต่ําพอปรากฏจากสิ่งที่ ติดกั้นมันก็หลายลงไปถ้าว่ามี 40 กั้นมันก็ดูทําติดสิ่งกั้นแน่นอนมันคงก็ได้รับประโยชน์จากน้ํานี่เหมือนกันเพียงกันการแสดงธรรมความเห็นของส่วนส่วนธุรกิจทั้งทั้ง